ซึ่งจะทำให้เราเห็นกฎข้อนี้ครับโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบันลังสิบสองที่พิพากษาชนชาติอิสราเอลสิบสองเผ่าผู้ใดที่ฉละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูก หรือไล่นาเพราะเห็นแก่น้ำของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดด้วยพี่น้องครับเนื่องจากเป็นข้อที่มีความสำคัญผมอยากจะอัญเชิญมาให้เราฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมัทธิวบทที่19ข้อ28ถึงข้อ29พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่ คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบันลังสิองที่พิพากษาชนชาติอิสราเอล12เผ่าผู้ใดที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไลนาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดด้วยพี่น้องครับหลักการ ของการขานรับการตอบรั บ, รบการตอบสนองการขานตอบจากพระเจ้าก็คือว่าผู้ที่ละสิง่งละทิ้งทุกสิ่งเพื่อองค์พระผ so, ู้เป็น fine, จะะ เ, ออปปเจ้าพระองค์จะทรงประทานทุกสิ่งคืนให้เพียงครับโปรดฟังอีกครั้งครับผู้ที่จะละทิ้งทุกสิ่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์จะทรงประทานทุกสิ่งคืนให้พอเจนะาของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนนะครับ ในคราวโลกใหม่เมื่อพระเยซูจะนั่งบนพระที่นั่งที่จะพิพากษาพวกเราที่ได้ติดตามพระเยซูจะได้นั่งบนบันลงังสิบสที่พิพากษาชนชาติอิสราเอลสิเผ่าพี่นองครับพระเยซูก็ยังพูดต่อไปครับพระองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดที่ได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดาบารดาหรือลูกหรือไรนาเพราะแห่งแก่น า, นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้รับชีวิตนิรันดุด้วย พี่น้องครับใ น, นพระคัมภีร์ข้อ28 29ของมัทธิวบททีท่สินี้แบ่งได้เป็น2ตอนครับตอนแรกยังไม่เกิดครับสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คือว่าโลกใหม่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าจะเป็นแน่นอนในอนาคตครับเมื่อพระเยซูจะนั่งบนพ่อที่นั่งที่จะพิพากษาบรรดาสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระองค์จะได้นั่งด้วยนั่นคือประการหนึ่ง ประ ก, การที่2ก็คือพระเยซูตรตัสต่อไปว่าผู้ใดที่ได้สละบ้านพี่น้องใชาหญิงบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่น า, นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและได้รับชีวิตนิรันดุด้วยพี่น้องครับหากเราพิจารณาไข่ครวญพระกัมภีร์ข้อนี้อย่างผิวเผินเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นภาพเปรียบเทียบมันคงจะไม่เกิดขึ้นจริงในโลกนี้แต่พี่น้องครับเมื่อเราไข้ครวญพิจารณาและเราจะเห็นตัวอย่างครับ ตัวอย่างของผู้ที่พึ่งจากเราไปก็คือท่านศาสนาจารย์เบลลี่เกรแฮมพี่น้องครับท่านมีพี่น้องเป็นล้านล้านคนก็คือบรรดาคนที่ท่านได้นําเขาเหล่านั้นรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นพี่น้องกับท่านคนเหล่านี้เป็นพี่น้องกับท่านครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าท่านอาจารย์เบลลี่เกรแฮมนั้นถ้าท่านจะไปที่ไหนท่านมีบ้านอยู่ ท่านอยไปที่ไหนท่านมีบิดามารดาอยู่ถ้าท่านอย่าไปที่ไหนในโลกนี้ท่านก็มีลูกอยู่เพราะอะไรครับคนเหล่านั้นครับเป็นคนที่ชีวิตของท่านศาสนัทจารย์บิลลี่กรแฮมนั้นได้แตะต้องชีวิตของคนเหล่านั้นคําเทศนาคำเป็นคำพยานและชีวิตของท่านได้แตะต้องคนเหล่านั้นพี่น้องครับท่านได้สละบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาลูกไร่นาเพราะเห็นแก่พระเยซู นั่นเป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะรู้ได้แต่ผมมีตัวอย่างส่วนตัวให้กับพี่น้องครับก็คืออาจารย์ที่ผมเคารพรักคือท่านอาจารย์หมอเฮนรี่ดร์เฮนรี่แบรนทท่านเป็นหมอครับเป็นแพทย์รักษาโรคนะครับเหมือนกับคุณหมอบัตเล่เนี่ยนะครับเดินทางมาจากนิวยอร์กท่านอาจารย์หมอเฮนรี่นั้นเดินทางมาจากแคนซัส และท่านมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท่านต้องเป็นหมอมิจฉาหรีที่ประกาศแพทย์กิติคุณเมื่อท่านเดินทางมาประกาศแพทย์กิติคุณโดยใช้วิชาชีพเป็นหมอได้อยู่ระยะหนึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ท่านที่จะพัฒนาการรับใช้ของท่านขึ้นมาเป็นการใช้พรวจนะสอนพระวจนะให้กับผู้คนมากมาย พีน้องครับชีวิตของท่านนั้นเป็นแบบอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านยังเดินได้อยู่ท่านยังมีคาพยานอยู่ท่านยีงมีคำเตือนสติและคำสอนอยู่พี่น้องครับท่านเองเป็นคนที่สอนบอกว่าเราสละชีวิตให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง Put God in your priority your first priority ก็คือให้พระเจ้านั้นมามีความสำคัญอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเราทาอย่างนี้พระเจ้า ก็จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้แล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของอาจารย์หมออาจารย์หมอเองนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมีคุณสจักรที่ท่านเดินทางไปเทศนาสั่งสอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่น่าเชื่อว่าท่านจะมีได้เพราะว่าท่านได้สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดาบารดาท่านไม่มีลูก แต่ท่านมีลูกฝ่ายวิญญาณมากมายครับท่านไม่มีบ้านแต่ท่านมีบ้านที่ท่านสามารถจะไปพักอาศัยอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านมากมายพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่ผมได้เห็นและสัมผัสจึงอยากจะเชิญชวนท้าชวนท้าทายพี่น้องว่าให้เราพ u t g ก d first ให้เรา ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเราให้เราที่จะเลือกพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราจัดลำดับความสำคัญของเบอร์หนึ่งให้ถูกครับและทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเพราะว่าการที่เราจัดลำดับให้พระเจ้าพระเยซูาามาเป็นที่หนึ่งแล้วเราเชื่อฟังพระองค์มัมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์เรามีความเชื่อไว้วางใจพระองค์แล้วลราก็ทุกอย่างมันจะเข้าที่เพราะว่าพระเจ้าจะทรงโปรดประทาน ให้สิ่งเหล่านี้ได้กลับคืนมาครับเราจะมีโอกาสที่จะครอบครองร่วมกันกับพระเยซูเราจะร่วมพิพากษาอิสราเอล12เผ่าเราจะร่วมที่จะได้รับรางวัลบำเน็จที่พระเจ้าได้เตรียมไว้แต่นั้นยังมาไม่ถึงครับแต่สิ่งที่จะเห็นเห็นอยู่ก็คือว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้ในโลกนี้ด้วยแม้ว่าในโลกนี้จะมีความทุกข์ยากลาบากครับ แม้ว่าจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องทนทุกข์ดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้สละบ้านหรือยังไม่ได้สละพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไรนาพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่จับคันไถแล้วพี่น้องอยากหันกลับครับเมื่อจับคันไถแล้วถ้าหันกลับคนนั้นไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของ เราหลายๆคนครับทำให้เราไม่กล้าที่จะสละไม่กล้าที่จะทำให้สิ่งที่ยังไม่สำคัญที่สุดนั้นลดความสำคัญลงครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งให้กับพระเยซูครับอาเมน